วันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับสิทธิอนุสิตขององหลวงปู่ของพวกเราอายุของหลวงปู่ของเราก็ิด้87ปีนะคณะสัายาธิาโยมไม่ใช่น้อยนะอายุ87ปีทึงนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินนี่อายุ69นะคณะสัตยาธาษฐาโยมปีหน้านก็กจ70ละแต่หลวงปู่ของเรา แกกอดหลวงพ่อเนี่ยสิบแปดีถือว่าเป็นพ่อของหลวงพ่อได้เลยละ่ะนี่แหละถือว่าจะหมายอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านตาหลวงปู่นี่แหละเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราหลวงพี่ชายรองก็คือหลวงปูล่ลีกุสระทาโลผาแดงนี่แหละอยู่ด้วยกันมานมนานทีเดียวจากนั้นหลงปู่ก็ได้ออกมาวิเวกกมาจมําบรรษาอยู่ที่ถ้ําหีบ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 แปลว่าเป็นผู้ที่หนักแน่นสําหรับน้องๆทั้งหลายเพราะนั้นหลวงพ่อเองเคารพในองค์หลวงปู่ของเราเนี่เหมือนกับพี่ชายใหญ่นะหลวงปู่ลีเนี่ยเหมือนพี่ชายรองลงมาฟังๆโดยยี่สิบกว่าปีมั้งหลวงปู่อยู่นานนะนี่แหละอยู่กับหลวงปู่เพราะว่าถือว่าขณะ น, นี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหลวงปูป่นี่เป็นเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราท่านทั้งหลาย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 เ, เริ่มแสดงธรรมแล้วนะนะที่นี่นะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติจะโสวจัตสตา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 เรื่องจิตภาวนาเนี่ยไม่รู้จะเดินทางไหนเพราะไปนั้นจะเลยสับสนพอสับสนแล้วก็บางคนก็เดินตามลิมิตจนจะเป็นบ้าเป็นบอกก็มีท่านีเพราะว่ามันเดินปฏิบัติไปในทางที่ผิดมีแต่ใจร้อนทำไมปฏิบัติแล้วทำไมจะได้รับความร่องเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจแต่ทำไมมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้หรือมันทาไมจึงเป็นอย่างนี้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 แนะนำอีกอย่างหนึ่งมีมากหลากหลายทีนี้พวกเราจะไปทําทุกวิชาอาชีพเจก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปทําตามเพราะไปทําตามได้ยังไงเพราะมันมีมากหลากหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําวิธีการแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นในท่านสอนแนะนําอย่างไรถ้าจะเปรียบเทียบเอาหลวงพ่อให้เปรียบเทียบเอาหลวงปู่มั่นของเราเนี่ให้วิธีการทํานาไปแล้วกันนะ วิธีการทำนาหลวงปู่มั่นสอนวิธีการทำนาคือวิชาหนึ่งขแขนงหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านว่ า, เ, าเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเรื่องจิตภาวนาเนี่แหละ เ, เรื่องทานเรื่องศีลพวกเราคงจะได้ยินได้ฟังพอสมควรแล้วล่ะนะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาเพราะมีเวลาจํากัดเพราะพวกเราเป็นส่วนใหญ่ที่มานี้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 พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานี่เรากราบถึงสามครั้งจากนั้นก็เราก็ไหว้พานอาลาหังสวาราโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็นโมตัดสะพระคขาวาโตจากนั้นเราจะสวดอิติปิโสด้วยกว็ได้นะอิติปิโสพระวาระหังสมาสามพุโทโธจากนั้นถ้าได้กายเยด้วยได้ยิ่งดีกายเวยยกวาจายกวเจสสวาพุทเทกุกัมมังข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรัง้งพระพระุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจา และด้วยใจขอพระพุทธเจ้าทรงโปรดอโหัวสีให้กับข้าพเจ้าด้วยการมิกาเยนะการ น, นั้นก็สวากาโตพระวาตาธรรมโมและกกาเยข้า พ, าพเจ้าประมาทพลาดพังพร ะ, าาระธระรมรรรด้วยกายด้วยวาจานีและกาสุปฏิปโนพระขวโตสาวกสังโฆกาบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กาเยข้าพเจ้าขอได้ประมาทพลาดพังต่อพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจากนั้นก็แผ่เมตตาให้แผ่เมตตา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 อย่างที่ข้าพเจ้าตรงการอย่างที่ข้าข้าพเจ้าปราถนาด้วยเทินอันนี้คื อ, คอเราแผ่เมตตาอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขทั่วนหน้ากันทุกวิญญาณจากนั้นก็นั่งขสมาธิขาขว า, ท, ข า, า, ข า, ขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบ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 แต่แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพุทธประวัติหรือปฐมสมโพธ์หรือว่าพุทธเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนั่นน่ะท่านทำยังไงพระพุทธเจ้านั่งกัดสมาธิเหมือนกันตอนหัวค่ำพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันเดือนหกเพ็นนั้นนายโสตยะได้หาหญ้าคามาผ่านแล้วก็ถวายพระองค์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 จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานธัชนะเกิดฌานขึ้นมาในช่วงนั้ น, พ, ออลล น, นพระองค์ละลึกชาติทุนหลังได้นี่แหละปุเพนิวาสารุจติยานละลึกชาติทุนหลังได้นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนครตไทาญาตโยมลูกหลานตายแล้วเกิดเอก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 หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธ เ, เพราะว่าอนุสติ10บที่พระพุทธทเจ้าบัญญัติไว้กรรมฐาน40นะอนุสติสก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศรานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานุสติเออนี่แหละแต่หลวงปู่มั่นของเราเอากกรรมฐานสองอย่างมาผนวกกัน คืออากรรมฐานพุทธานุสติผนวกกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวนี้ยึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราบริกรรมพุทโธพุทโธแต่มันยังแสบไปอยู่มันยังเผลอไปอยู่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเขาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธให้ถี่นะ เพอมันหลุดออกไปต้องเราทดลองมันถีขึ้นไปอีกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเราบริกรรมแต่แต่ไม่ให้ออกปากนะับให้ใจของเราให้สำทับอยู่กับกับใจของเราพุทโทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองขอแนะนำคณะทาญาิโยมลูกหลานอีกว่าหลวงพ่อเนี่ยได้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 จากนั้นใจของเราถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสนใจในการที่จะทาจิตใจให้สงบเราก็พยายามบังคับให้อยู่กับตัวเองครบว่าบังคับนะฟังว่าว่าบังคับไม่ใช่ว่าตามตามอาเภอใจหรือตามอัตถาใจนะ บ, บังคับให้อยู่กับพุทธโธเวลาเราเดินเดินจะทำยังไงมีทางเดินยังกลมเราก็กำหนดตรงไหนก็ได้ที่มันเรียบราบ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 ท่านไม่เอามือคขวยหลังธนาบัตรนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านถือมากนะสายหลวงปู่มั่นบอกว่าอย่าเอามือคขวยหลังจะแกว่งแขนอย่าเอามือกอดอกให้เอามือไว้ที่ระหว่างท้องน้อยอมือประสานกันอันนี้คือลักษณะท่าลำพึงถ้าใข้ควรถ้าคุ้นคิดท่าวางมือลักษณะนี้จากนั้นก็เดินยกงอมขาขวาพุธขาซ้ายโถพุทธโทพุธ โถพุทโถพุทธโถจะเลี้ยวขวาก็ได้เรียกว่าประทักศิณแต่สุดแท้แต่ใท่านจุดนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือ เ, เลี้ยวขวาคือความถนัดของของผู้เดินจงกลมแต่ถ้าว่าเป็นไปได้ประทักศิณเวียนขวาหันขวาจากนั้นก็ขาขวาพุทธซ้ายโทพุทโถพุทโถพุทธโถ แ, แต่บางคนยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อได้ยินขึ้นมาอกีกบอกว่าเอ้า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 เท้าพอดีศีษะกอดีอวัยวะทุกส่วนของพวกเราเสมอกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าตรงนั้นประเสริฐตัวนี้นเลิศหรือตัวนั้นสูงตัวนี้นต่ําร่างกายของเราทุกส่วนมันเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะออกกรรมาฐานกําหนดอยู่จุดไหนในขณะที่เรานั่งเราก็นิ่งเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราเดินเราก็ขาของเราก้าวไป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 เย็นสบายจะจําไม่ลืมเขาเพียงสงบเพียงประเดียวประดาเท่านั้นนะเย็นวาดเข้าไปสู่จิตใจลึกๆโอ้ทําไมใจของเราเป็นอย่างนี้วะมันเผลอหรือเปล่าหรือมันจะหลับหรือมันเป็นยังไงในช่วงนั้นะจนเราตัวเองก็ตกใจแล้วก็สะุ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าใจของเราเอ๊ะทำไมมีความสุขเย็นแล้วเกินอันนี้คือจิตใจของเราเริ่มเริ่มจะเข้าสู่ความสงบและวนาะทีนี้นะอันนี้คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเลยคือ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 เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจตรงนี้เองหนอเนี่ยเราจะทำาลึกได้เพราะว่าเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นเป็นหนึ่งแล้วนั้นร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนั้นทนี้ร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับโซเฟอร์รถโซเฟอร์รถกับรถรถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยโซเฟอร์เออเอาโซเฟอร์เป็นคนขับเป็นคนขยั บ, ข ย, บขยื่น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 ใจของของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นกายแล้วก็เห็นใจเห็นใจแล้วก็เห็นกายจากนั้นก็นี่แหละปล่อยวางที่ใจเห็นอธิจังทุกขังอนัตตาที่ใจปล่อยวางที่ใจเมื่อใจของเราปล่อยวางแล้วเนี่ยแหละความผุดพ้นจากอาสวัคิเลสก็จะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นสวรรค์นิพพานไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนะคณะสัตยาโจโยมลูกหลานทุก คนทุกองหนะ้าให้ภาวนาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นเนี่แหละหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะให้ท่านหนพิจารณาที่แรกก็ให้ทําสมถะทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนจากนั้นก็นำมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเดินวิปัสสนาในเมื่อเราเดินวิปัสสนาแล้วเราก็จะพิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้นี่ยลออ ตัวผู้รู้ตัวใจนี่ะสำคัญว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเสถามโนมายาเนี่ยเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนพอจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะเออให้ดูสิ เ, เทวดาอินพรมนรกสวรรค์มันเป็นยังไง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 พบชาติคนต้องเองมายัาง ไ, ไงไปยังไงฮะจากนี้พอส่งจิตออกไปก็เห็นจริงๆพอเห็นครั้งแรกมันมันมันๆเลยทีนี้พอเห็นทีแรกโอ้โหมันจริงว่ะเพอในโซ่ก็เลยลืมตัวเองค เ, เนี้เพ้อเพอจะเป็นบ้าเอาถึงโอ้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยทีนี้เพราะนั้นส่งจิตออกนอกไม่เป็นผลดีนะขนันษาทาญาติโยมลูกหลานนะให้อยู่กับพุทธโธนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นว่า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 รือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะพูดเป็นภาษาออกไปเขาก็จะว่าเราบ้าแต่ภาษาีนเป็นภาษาใจนะธรรมะในเป็นภาษาใจของตนเองเราจะไปให้ความสำคัญอย่างอื่นจนเกินไปนะวันนี้ก็ได้กล่าวสมโมทธรธิยะกถาเบื้องต้นว่าขันตีจะสวจัจสตา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 กาล้วนแล้วแต่พวกเราได้เห็นอย่างของตามหาบัวเนี่ยอธิธาติของท่านเนีกลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาของพวกเราพวกเราน่าจะตายใจได้ว่านี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยคือสายพระอรหันต์พูดอย่างนั้นไม่น่าจะผิดนะเพราะพวกเราเห็นแล้วเห็นแล้วว่าอัธิธาติของท่านเนี่ยได้กลายเป็นพระาธาตุผู้ที่ได้กิดร่างกายกระดูกได้กลายเป็นพระาธาตุเนี่ย ไม่ใช่อย่างอื่นท่านรับรองกันมาเป็นทอดๆว่านี่คือพระกระดูกของพระอรหรันตะ์เพราะฉะนั้นพวกเราคณจจะทายาทโยมลูกหลานนะัให้ฟังเอาไว้นะให้ฟังเอาไว้คํานี้ก็ให้ฟังเอาไว้ให้พิสูจน์เแล้เราก็ให้ฟังแต่พวกเราพิสูจน์แล้วเนี่ยจิตใจสงบ เ, เข้าไปแล้วเนี่ยพวกเราจะเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นนะเชื่อ